ต่อไปเราก็จะได้กฟังการบรรยายธรรมะในตอนเช้าซึ่งจะได้อาลนาหลวงพ่อใหญ่หรือหลวงพ่อเทียนได้กล่าวธรรมะในตอนเช้าเป็นเวลาสี่สิบนาทีนิบนตหลวงพ่อวันนี้เป็นวันที่สี่กุมพาพันสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าท่านผู้ฟังทั้งหลาย ซึ่งมารวมกันณสถานที่นี้ที่เราเรียกกันว่าธรรมสถานเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพวกเราเคยสินหูกันมาอันนั้นถือว่าเป็นการรู้จามาจาก พอแม่เลือกครูบาอาจารย์ของเราสอนให้มาแต่อย่างไรก็ตามมันต้องรู้จำรู้จำแล้วก็ต้องรู้จักตอนรู้จำรู้จักนี้ยังไม่เป็นคำรู้ื อ, อยังไม่เป็นความรู้ที่จะเอาไปใช้กับผู้ครองของชีวิตของเราตอนที่เรารู้แจ้งรู้จริงนี่แหละ เราจรึงจะเอาไปเป็นคู่ครองของชีวิตเราได้ดังนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ฟังมามากพอสมควรวันนี้ก็มีการสนทนาปลาใสกันเรื่องการรักษาศีลในทางพุทธศาสนา ตามปกติคนเรานั้นต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไว้อย่างนั้นที่เรามาประสมกันที่ธรรมสถานวันนี้ก็คล้ายคือกันที่วัดวันมาฆาปาูชาเป็นวันการแสดงธรรมะหรือเป็นการพุทธาวิสสนากันเพื่อให้เราจะได้พิจารณาตามคําพูดหรือสนทนากันนั้น แต่ละท่านนักพลก็มาศึกษาสนทนากันเพื่อต้องการหาความจริงที่จะเอาไปใช้ได้กับชีวิตของเราจริงๆนั่นแหละคำว่าสินนี้ตามความเข้าใจของอาตมามันมีมาก่อนคำว่าสินมันมีมาก่อน เราจะพอมองเห็นได้ในสมัยเมื่อเ <c> จ <oughs> ้าทายสิทธะกุ ม, มารเมื่อออกไปบวชก็ต้องมีศีลการบวชนี้ก็คงจะมีมาก่อน <c oughs> เรื่องสมณะเทุ <c oughs> เพราะว่าได้ทำตามตามเขามาอันนั้นถือว่ารู้จำและรู้จักวิธีปฏิบัติตามครูบ า, าอาจารย์มาอย่างที่ อาตมาพูดนี่ว่าต้องรู้จำรู้จักมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นคนที่ให้ความรู้ความเข้าใจเป็นคนแรกที่สุดคือบิดามาดาเนี่ยก็ครูบาอาจารย์เหล่านี้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อมาก็มาศึกษาเนีวัตสมาธิ ที่เราเคยสนใจกันอยู่ทุกวันนี้มาศึกษากับอาราดาบทอุทะกดาบทสองอาจารย์นี้อาจารย์คนแรกที่เราเคยรู้เคยได้ยินมาจากครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่สอนให้มาว่าได้สมาบัติเจตสมาบัติเจตนั้นได้ว่ารูปสารสี่อารูปสารสามอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นเพียงศึกษาล่าเรียนและปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มาความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นยังมีอยู่เข้าสารออกสารได้คลองแพ้่ววองไวเหมือน ก, นกันกับอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ลาจากอาจารย์คนนั้นไปศึกษาเลาเรียนต่อ องที่ครูคนที่สองซื่อว่าอุทกะดาวบทคนที่สองนี่สอนให้ได้สมาบัตแปดสมาบัตแปดนั้นเราเคยเข้าใจกันกับตำรับํำลาและครูบาอาจารย์เคยสอนมาว่ารูปสารสี่รูปสารสี่ได้สมาบัตแปดแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนก็ยังมีอยู่ ครูบาอาจารย์ทำอย่างไรเจ้าชายสิทธัตถะก็ทำได้อย่างนั้นเข้าสานออกสารค้่องแพร่ว้องไวเหมือนกันกันกบครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกแ ง, ทกง่ทุกมุมอันนี้พวกเราคงจะเคยได้ยินมาไม่มาก่อนน้อยอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงศึกษาจากครูบาอาจารย์แล้วประจำมารู้จักวิธีประพฤติปฏิบัติมา จากครูบาอาจารย์แต่ความทุกนั้นยังไม่ลดน้อยลงความทุกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุมองเห็นด้วยตาและจับถูกด้วยมือไม่ได้หมายถึงแต่สิ่งเท่านั้นหมายเข้าไปลึกๆเส้นความโกรธความโลภความหลงนี้เป็นต้น อันนี้ที่เราเคยพูดกันมาสินเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยากสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกา่างและปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดที่ธรรมสถานจึงมาจัดขึ้นให้เรามาศึกษาและมาสนทนากันที่นี่ดังนั้นเมื่อทำได้สาเร็จสมาบัดแปดแล้วพระองค์เห็นว่าทางนี้ไม่ใช่ทางพ้นพุก อล่าอาจารย์หนีไปพวกปัญจวคัคคีทั้งห้าก็ติดตามไปบางครัง้งบางค่าวเห็นพวกปัญจวคัคคีทั้งห้าทำพูดที่ได้เห็นด้วยตาและฟังด้วยหูบางครัง้งบางค่าวก็พอใจบางครัง้งบางค่าวก็ไม่พอใจอันนี้สุรความทุกข์ความเดือดร้อนนําเผาอยู่ ก็เลยมาทําทุกกะกิริยาเราเคยได้ยินได้ฟังกันมานานพอสมควรเรื่องนี้มาทําทุกก์กิริยานี่เราเห็นรูปภาพที่อาตมาเคยเห็นรูปภาพแต่เมื่อสมัยเป็นเด็กเคยไปเล่นในวัดท่านทําเป็นรูปภาพติดฟาผนังสิมเอาไว้หี่ว่าโบสนั่นเอง ลูกที่มาทำทุกข์กะกิริยานั้นไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่พูดไม่คุยกับใครกั้นลมหายใจอย่างข้าวกินวันวันเท่าเม็ดงาไว้อย่าง้ที่พระองค์ทำเช่นนั้นไม่ต้องพูดเรื่องอดอันนั้นอดอันนี้เมื่อข้าวที่มันกินทาให้เป็นเลี้ยงร่างกายของเราจริงๆนี้พระองค์ก็ลดอดลงมา กินวันหน้าเท่าเมล็ดงาถ้าปกติคนเราเมื่อไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่พูดไม่คุยกับใครเสียงก็แห้งหรือหมดไปไม่กินข้าวไม่กินน้ําร่างกายก็สู้ผอมลงมีแต่หนังเอ็นกระดูกลัดลุงกันเอาไว้เท่านั้นที่ว่ารูปหน้าท้องถึงหลังลูกทางหลังถึงหน้าท้องว่าอย่างนั้น อันนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นก็ไม่ได้เป็นทางดับทุกข์อันนั้นยังไม่ได้เป็นพุทธศาสนาเรื่องศาสนานั้นมันมีมาก่อนแต่พุทธศาสนานี่คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเรียกว่พุทธศาสนาเราเคยเข้าใจกันอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์มีปัญญาเกิดขึ้นภายในจิตใจหรือจิตสํานึกของท่านเอง เมื่อเราทำไปอย่างนี้คงจะหมดชีวิตไปหรือตายไปไปเลยมาหาสันมักขามพ้อ ม, มักสโมเหล่านี้เยตามตัวหนังสือและปรูวาอาจารย์เคยพูดให้ฟังเ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนั้นพวกปัญจวคีทั้งห้าก็เห็นว่าพระ อ, องค์นี้คงจะไม่ได้ตัดสรู้เพราะขายกลมเพียเรเวียนมามากๆเสียแล้ว พวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคนหนีไปพระ อ, องค์ก็หนีไปคนเดียวอันนี้เรียกว่าสงนัดกายสงนัดวาจาจิตใจยังไม่สงัดก็ยังคิดถึงพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแต่ก่อนเรามีหกคนพวกปัญจวัคคีย์ห้าคนเราคนหนึ่งเป็นหกคนทีนี้ไปคนเดียวว่าเหวจิตใจอันนี้คำนวณ น, นะนเป็นการคำนวณเพราะ ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นพระองค์เป็นการคำนวณบางครั้งบางขราวก็คิดถึงทรัพย์สมบัติที่เราเป็นมหากัริ์อยู่นั้นเคยอยู่ที่หอประสาทหรือประสาทแล้วก็มีผู้ให้ความสนุกสนานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระองค์ไม่เคยขัดข้องไม่เคยจนทำไมบัดนี้เรามาทุกมาจนหรือไม่มีเพื่อน ไปคนเดียวว่าอย่างนั้นเลยได้ไปสันเข้านางสุสดาพูดมาลัดลัดท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ฟังเคยอ่านเคยเขียนเคยเรียนกันมามากต่อมากแล้วเมื่อตอนมาสันเข้านางสุสดานี่แหละก็เลยถามนางว่าจะถวายแต่ข้าวหรือจะถวายทั้งทาตทั้งหมดนี้ นางก็เลยตอบพระองค์มาถวายทั้งหมดไม่เอาอะไรกลับคืนไาอยางเมื่อสันข้าวทั้งหมดแล้วก็เลยจับเอาขันนั่นไปอธิษฐานตามริมแม่น้ำาวยงความอธิษฐานของพระองค์นั้นว่าถ้าหากข้าพระเจ้าจะได้ตัดทะลุเป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายขาลายกิเลสหลุดจริงๆแล้ว ข้าพเจ้าวางขันหรือถาดใบนี้ลงไปในแม่น้นํานี้ให้ถาดใบนี้หรือขันใบนี้แหละทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ำไว้ย่ังตรงกันข้ามถ้าข้าพเจ้าจะฆ่ากิเลดไม่ตายคลายกยิเลดไม่หลุดดับทุกข์ดับร้อนไม่ได้วางขันใบนี้ลงไปในแม่น้นํานี้ให้มันล่องลอยไหลไปตามกระแสของน้ํา ว่าอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็วางขันลงไปหรือวางถาดนั้นลงไปถาดหรือขันนั้นก็ทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ำเลยไปจมลงที่ตรงหัวกระนาดนอนว่าอย่างนั้นอันนี้พ่ออาตมาพูดให้ฟังได้ยินได้ฟังมาจากพ่อและครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังก็เลยจํามาได้อันนี้เรียกว่ารู้จํารู้จัก แต่ไม่ใช่เป็นการรู้แจ้งไม่ใช่เป็นการรู้จริงตอนที่รู้แจ้งตอนที่รู้จริงนี้อันนี้เป็นคำพูดที่มันเกิดมาจากจิตสำนึกขันธาตุนั้นก็หมายถึงตัวเหล่านี่เองหมายถึงตัวเหล่านี่เองว่าขันธาตุขันก็เรียกว่าขันห้าธาตุก็เรียกว่าธาตุสี่พูดย่อๆสั้นๆ เพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกันการทวนกระแสของน้ําน้ําก็ห่วงน้ําำในว่ิกฤตอันนั้นเป็นคําพูดการทวนกระแสของน้ําคือการทวนกระแสของจิตใจที่มันนึกมันคิดขึ้นมานั่นแหละพระองค์มาทําอยู่ที่ต้นต้นโพอะไรนะที่ลมต้นโพอั้น ต้นโพนี่เราก็คิดว่ามันเป็นต้นโพจริงๆมันเป็นต้นโพจริงๆข่าวนั้นรู้จำมาจากพ่อแม่ครูาอาจารย์สอนคำว่าต้นโพได้หมายถึงตัวบุคคลผู้ที่มีคุ ณ, ณธรรมนั่นเองแต่คุ ณ, ณธรรมนั้นมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นอันนี้ตอนนี้เอาไว้นี่ก่อนก็เลยมาพูดเรื่องนิทาน ไม่ใช่นิทานเป็นความประลัมปรลาหรือท่านจะจำมาได้ยังไงก็ไม่ทราบอาตมาเป็นเด็กเคยไปนอนนากับพอเราให้ฟังาศาสนาพุทธของเรานี่แหละล่วงไปได้ถึงห้าพันปีแล้วจะมืดเจ็ดวันเจ็ดคืนจะไม่มีผู้ศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกมืดเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่รู้ทิศทางเดินไปไหนมาไหนไม่รู้เลย พ่อแม่เห็นกันก็กินกันลูกเห็นพ่อเห็นแล้วก็กินกันเพราะมันอดมันหิวเจ็ดวันมืดตึ๊บเพราะว่าเทวดาบัญดนใจลึกบัญดนที่ไปบังแสงตะเวนเอาไว้ไม่ให้มีแสงตะเวนก็เลยมืดไว้ายางไนเมื่อได้ห้าพันพรร ษ, ษานี้บัดนี้พระพุทธโูกในโลกนี่แหละ จะเป็นพัะธลูปไม้ก็ตามเป็นพระพุทธรูปทองก็ตามจะเป็นพระพุทธรูปแก้วหรืออิดปูนอัน น, นก็ตามนะท่านว่ามีดวงจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าไปเกาะหรือไปสิงอยู่ที่นั้นเท้ากับเมล็ดงาไวย้ยางไงเมื่อได้ห้าพันพรรษาเมื่อเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วพระพุทธรูปนั่นจะหาอไปเป็นรวมกันที่ไหนจาไม่ได้ตอนนั้น อย่างสมมุติที่ว่าอย่างธรรมสถานนี่แหละเขาะมารวมกันที่ตรงนี้พอดีมาถึงที่ตรงนี้เนาะพระพุทธรูปก็แตกกระจายกันไปทั้งหมดเป็นฝุ่นเป็นเท้าไปหมดและดวงจิตวิญญาณที่ไปเกาะอยู่กับพระพุทธรูปนั่นแหละจะมารวมตัวกันเข้าเป็นรูปเจ้าสายสิท ธ, ธะกุ ม, มารมาแสดงธรรม ให้ผู้ที่มืดบอดอยู่นั้นเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนว่าอย่างไรคนใดที่ไปฟังการแสดงรำข่าวนั้นยุคนั้นผู้ที่มีปัญญาแหลมคมจะได้เป็นพระลหันว่าอย่างไรผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมาเรียกว่าเป็นพระอนาคามีผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมาก็เป็นพระสกิทาคา ผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมาก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมาเรียกว่าเป็นมนุษย์ผู้ที่มีปัญญาน้อยลงมานั่งเรียกว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดานี้เองว่า่ไหดังนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ต้องเตรียมเมื่อเตรียมตัวฟังกันแล้วพิจรารณาให้แยบคายการพูดนี้ไม่ใสแสดงว่า ผมเป็นผู้รู้เป็นพระริยบุคคลมาไม่ใช่อย่างนั้นแต่นำมาพูดนี้นำมาพูดด้วยความจริงใจเกิดจากจิตสำนึกขึ้นมาในระยะนั้นปีสองพันห้าร้อยเป็นโยมเป็นโยมนะไม่ใช่ได้มาบวชเป็นพระเป็นเนรอะไรนะเป็นสมมติโยมเราพูดกันเรียกว่าโยมคราวนั้นนูกงกางเกงขาสั้น ไม่ได้นุ่มผ้าเหลืองอย่างนี้ตอนที่มาบวชเป็นภิกษุในข่าวนี้ก็คิดแล้วก็จะมาพูดเรื่องนี้จะพูดเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องอื่นเลยอะไอย่างเข้าใจอย่างนั้นมาก็เลยมาพูดในเรื่องนี้มาตั้งแต่เป็นโยมก็พูดมาเป็นระยะเวลาสองปีกว่าข่าวนี้มาบวชเป็นหลวงตานี่ก็ได้ยี่สิบกว่าปีแล้วก็พูดอย่างนี้มาตลอดมาคาว่าพระพุทธรูปนั้น มันเป็นเรื่องสมมุติคือตัวคนนี่แหละเป็นพระพุทธลูกอันจิตใจที่จะทำให้เป็นพุทธะนั่นมันมีอยู่ในคนพุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นพระเป็นเนนก็มีเหมือนกันเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีเหมือนกันถ้าคนมีปัญญาฟังแล้วเข้าใจนำไปปฏิบัติได้จริงๆเรื่องนี้ เพราะว่าจิตใจของคนนั้นมันมีเหมือนกันคนไทยก็มีเหมือนกันคนจีนก็มีเหมือนกันคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกาคนคามนคนยวนคนลาวถือศาสน า, าไหนก็มีเหมือนกันไม่ยกเว้นจริงๆจิตใจที่มันสะอาดสว่างสงบนั้นมันมีอยู่แล้วตอนนี้เรามาพูดกันเรื่องธรรมกรรมฐาน เมื่อตอนทำกรรมฐานนี่ผมเองอันนี้เคยทำแต่เมื่อสมัยเป็นเนนเรืดีเหมือนกันนี่ทาขาวนั้นไม่รูได้ความสงบอันความสงบนั้นเรียวกว่าบุญแต่ไม่ได้พูดเรื่องการทำบุญที่เป็นวัตถุวันนี้พูดกันเรื่องทำความสงบเรียวกว่าบุญบุญคือความสงบ มันเลยไปติดอยู่ความสงบก็เลยไม่ใช่ปัญญาความสงบนี่จึงมีสองอย่างด้วยกันสงบแบบไม่รู้สงบแบบทื่อๆเหมือนอิดเหมือนกวดนี่แหละสงบแบบนั้นเรียกว่าสงบไม่มีปัญญาสงบใต้โมหะสงบเพราะความไม่รู้อันนั้นตอนที่สงบเมื่อมารู้มันไม่ใช่เป็นความสงบมันเป็นความรู้แจ้ง แต่มันมันไม่ใช่เป็นความสงบแต่คนยังเรียกว่าความสงบอยู่นั่นเองความสงบตอนนี้คือความสงบจากโทสะโมหะโลภะสงบจากความงมงายสงบจากความหลงผิดสงบจากความไม่รู้สงบจากความมืดมายังไงก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติอันนี้แหละตอนที่เราไปทำกรรมฐาน แต่ก็ถือว่าดีจะทำวิธีไหนก็ต า, ามดีทั้งนั้นแต่เมื่อเรายังมีความสงสัยความลังเลใจอยู่อันนั้นก็ยังเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนี่พระองค์ท่านสอนเอาไว้อย่างนั้นเมื่อเรามาจับต้นตอของกมคิดนี่แหละคนเรามไม่เคยดูกมคิดไม่เคยดูจริงๆสำหรับที่เคยทำกรรมฐ า, านอยู่ข่าวนั้นไม่เคยรู้กลมคิดมันคิดยังไงไม่เคยรู้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 ตอนนั้นก่อนที่จะรู้ความคิดนี้กำลังเดินเดินไปเดินมาคล้ายค่ายคือมีคนมาผลักดันข้างเราวูบหนึ่งเราก็มองดูมันไม่เห็นด้วยตาความคิดนี่มันไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนก็เลยไม่เห็นเดินกลับไปกลับมาที่ว่าเดินจมพลมแต่ความจริงก็ย้างนั่นแหละกลับไปกลับมามันคิดกันมาครั้งที่สองนี่ก็รู้เป็นเรื่องราว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 เสนเราพิษตาก็ได้หายใจก็ได้พิษมือขึ้นข้า ม, มือลงก็ได้จะเคลื่อนไหวโดยวิธีเดก็ตามเรามีสติรู้อยู่ที่ตรงนี้พอดีจิตใจมันคิดขึ้นมามันจะเห็นจะรู้จะเข้าใจสัมผัสได้จริงๆความคิดนั้นเลยไม่ถูกปมุงไม่ถูกปมุก็เลยทวนกระแสของความคิดได้เราทาอยู่อย่างนี้แหละเมื่อพูดเช่นนี้ก็ ไอ้เวลามาแล้วเนี่ยยังเหลืออยู่เพียงสิบห้านาทีมาคอยดูอยู่ที่ตรงนี้แหละอันคอยดูนี่เนี่ยเรียกว่าทวนกระแสะทวนกระแสะของน้ำตามปกติจิตใจคนนั้นมันคิดไปในทางที่ต่ำคิดไปในทางที่ผิดมากมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการทำบุญมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องการรักษาศีล การทำความรู้แจ้งอย่างนี้พอดีมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้แต่ความจริงแล้วชีวิตจิตใจของคนทุกคนนั้นมันดีอยู่แล้วมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าจิตใจเทพพระพุทธเจ้าหมากเกาะอยู่กับพระพุทธรูปนึ้นเท่ากับเมล็ดงแต่มันน้อยที่สุด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 เมื่อเรามาคอยดูความคิดอยู่ความคิดที่มันคิดขึ้นมาดีก็ช่างชัวก็ตามเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความคิดแมันถูกขหยุดไปมันเลยไม่ได้ปรุงอันนี้เลยว่าวิสังขารสังขารไม่ถูกปรุงแต่คนก็ยังมีจิตมีวิญญาณมีเหมือนกันมีรูปมีกายไี่มีเหมือนกันมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีเหมือนกันแต่รูปนี้ไม่ต้องพูดถึง ราะรูปนี้มันต้องทำการทำงานไปตามหน้าที่มองเห็นด้วยตาจับถูกด้วยมือที่มันเป็นวัตถุอันนี้ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ถูกเพราะมันไม่ถูกปรุงเพราะรู้เทา่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก่รู้จกกัจ ก, ก, จกเอาสนะความคิดที่ปรุงแต่งนั้นได้อันนี้เรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติธรรมอย่างสบายๆไม่ต้องหลับตาก็ได้ ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาณสถานที่นี้เียวธรรมสถานเนี่ยซันระดับปัญญาทั้งนั้นและเพื่อนภิกษุสมณีตลอดคารวาสญาิโยมทุกท่านมาที่นี้ก็เป็นสันปัญญาทั้งนั้นเพราะเคยศึกษาเล่าเรียนกันมามากต่วมากแล้วอันนี้แหละเป็นทางดับทุกข์ดับร้อนดับได้จริงๆเรื่องนี้ พอเมื่อเห็นสภาพเส้นนี้แล้วข่มโกรธข่มโลภข่มหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่ครูบาอาจารย์นั่นแหละสอนเราว่าการทำบุญก็ดีให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีพยายามทำแล้วเพื่อให้ปราบข่มโกรธข่มโลภข่มหลงว่าจะั้แต่ความจริงข่มโกรธมโลภคมหลงนั้นมันไม่มีตอนมันมีนั่นคือเราไม่ได้ดูต้นต่อของชีวิตจิตใจนี้เอง มันก็เลยโผล่ออกมาตบหน้าเอาตบหน้าเอามันตบ ห, หน้าเราเราก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนนี่แหละความหลงผิดเพราะเป็นคนลืมตัวแต่ไม่ใช่ลืมตัวตัวนั้นนี่มืมสมุทฐานต้นเหตุกำเนิดที่เกิดของผมคิดนี่แหละการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบพระไตรปิฎกก็ต้ถ้าหากไม่มาจับต้นตอตอนนี้แล้วอันนั้นก็ดีแต่ว่า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 ก็ไม่ใช่จังนั้นเรียนมาแล้วเพื่อเอามาแก้ปัญหาตัวเองเอามาแก้ปัญหาคือความทุกนี่แหละหากว่าเราเรียนมาแล้วไม่เอามาแก้ปัญหาตัวเองไม่เอามาแก้ปัญหาตัวทุกนี่ก็อันนั้นก็ถือว่ามีประโยชน์น้อยไม่มีประโยชน์มากอันนี้พูดด้วยใจจริงแต่คนอื่นนั้นจะเอาไปใช้ยังไงไม่ทราบ ตอนที่รู้เรื่องนี้แหละเรื่องเมตตากราุณามุทิตาเปกขาไม่ต้องพูดถึงอันนั้นเป็นเรื่องความเรียนมาจากตำรับตำราเรียนมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จำได้แต่เมื่อมาเห็นมารู้เข้าใจอย่างนี้ทุกคนมีชีวิตเหมือนกันแล้วก็ตายเป็นเหมือนกันแต่ไม่ต้องการทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สงสารบุคคลที่ไม่รู้เขาจึงทำผิด พูดผิดคิดผิดเมื่อทำผิดพูดผิดคิดผิดแล้วมันจะถูกไหมมันไม่ถูกเมื่อทำถูกแล้วมันจะผิดไหมมันไม่ผิดเหมือนขาวกับดำเหมือนมืดกับสว่างนี่เองดังนั้นการเจริญกรรมฐานเจริญปัญญาก็ตามเนื้อเจริญศีลก็ตามอันนี้กล้ายืนยันรับรองได้ คำพูดที่นำมาพูดนี้เดี๋ยวนี้คนมีปัญญาฟังแล้วเอาเถอะจับไปใไ้คันทีแต่เมื่อคนใดปัญญายังไม่แหลมคมนั้นต้องเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นไม่ใช่เป็นนั่งเสยๆไม่จางนั้นคือทําความตื่นตัวทําความรู้สึกตัวอยู่เสมอจะทําจะพูดจะคิดดูลงไปที่จิตใจ จิตใจมันนึกมันคิดอันใดดูเห็นเข้าใจแต่ไม่ใช่ตานี่เห็นแต่คือเอาใจดูใจหรือเอาจิตดูจิตหรือเอาสติมาดูจิตว่าอย่างไงก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติพูดขึ้นมาสมมุติจงมีมากมีสมมุติบัญญัติและมีปรามัตดบัญญัติและมีอัฐะบัญญัติมีอริยบัญญัติมันเกิดจิตสมนึิขึ้นมาปีนั้นเป็นปีพศสองพันห้าร้อตอนเซา ประมาณตีห้านี่แหละมันเกิดจิตสำนึกขึ้นมาอย่างนี้แต่ก่อนไม่เคยรู้เคยรู้ตั้งแต่ว่าบัญญัติสมมุติบัญญัตริรู้แต่เพียงแค่นั้นตอนที่รู้ขึ้นมาจากจิตสำนึกนี่มันมีสมมุติบัญญัติมันมีปรมามัตดบัญญัติมันมีอัฐะบัญญัติมันมีอริยบัญญัติมันรู้ขึ้นมาอย่างนี้จริงๆนี่มันก็เห็นอย่างนี้จริงๆแต่ไม่ใช่ตาเนื้อเห็นแต่มันจิตใจเห็นหรือ อะไรก็ตามแหละเพราะมันพูดไม่ได้อันนี้แหละมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นผู้หญิงก็มีเหมือนกันผู้ชายก็มีเหมือนกันภิสนนษุส์คคเมเณีมีเหมือนกันทั้งนั้นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกาคนคามรนคนยุนคนเรามีเหมือนกันทั้งนั้นพอเกิดแล้วมันต้องมีแต่ตายก็ต้องตายเหมือนกันทั้งนั้นแต่คาพูดนั้นไม่โลภภาษากันบางคน ก็พูดภาษามันได้ก็เลยรู้กันเรื่องภาษานั่นมันเป็นเรื่องที่เรามาประสมกันหรือมารวบรวมธรรมะหรือมาปสัสสายธรรมะมาสนธนาธรรมะที่ธรรมสถานนี้ล้วก็มาคน้นคว้าเอาคาพูดความรู้ความเห็นความเข้าใจนั่นยมาแสดงที่การประสมเพราะเรามันเป็นลูกศิษย์ปลายแถวพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพอดีินิพานก็นได้หรือว่าตายก็ได้ไปสองลอสองพันกว่าปีแล้วบัด น, นี้พวกเรามาที่นี่เนียเป็นวันมาฆะอุสาก็มาแสดงธรรมหรือมาถวายความรู้เพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้เป็นรวบรวมเป็นข้อมูลแล้วเราจะไปวินิจฉัยนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความหุดพ้น แต่ไม่ใช่ว่าหลุดพ้นจะเหาะไปเหมือนนกไปอย่างนั้นไม่ใช่คือความหลุดพ้นนั้นหลุดพ้นไปจากความมืดหลุดพ้นไปจากความโง่เขลาเบาปัญญาหลุดพ้นไปจากความหนักอกหนักใจหลุดพ้นไปจากความโงกความงมงายความหลงผิดหลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นที่การปฏิบัติธรรมนั้นจะนั่งหลับตาก็ได้หรือไม่หลับตาก็ได้ จกสันอาหารสองมือก็ได้สันมือเดียวก็ได้จกสันเนื้อก็ได้ไม่สันเนื้อก็ได้อันนั้นเป็นเรื่องของที่มันมีมาก่อนเรื่องการฆ่าสัตว์บัดนี้มาพูดกับเรื่องการฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์นี้ก็เรามันมีสองสัตว์หรือสามสัตว์สี่สัตว์ห้าสัตว์อะไรก็พูดไปเถอะแต่คราวนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนหนังสือ เมื่อพระพุทธเจ้าพริรมิพานไปปรากฏว่าไม่นานมีภิกษุจ่วงจาบต่อพระธรรมวินยัยก็ได้สังขารณากันขึ้นข่าวนั้นก็ยังไม่ได้จารึกเป็นละลักษ์อักษรก็เลยมาพูดรวดบมัดเอาตอนสุดท้ายทีเดียวเพระาะว่าเวลาเดียวนี้ก็ได้ห้าโมงยี่สิบเก้านาทีจวนจะถึงสามสิบนาทีแล้วเมื่อมาสังขารณากันนี้ พระพุทธเจ้าประดิษฐานไปแล้ว450ปีจึงได้รวบรวมผู้ที่มีปัญญามาบันทึกเป็นลัทธิสอนกันไว้แต่ความจริงอันนั้นจะจำได้หรือไม่ได้มันก็ไม่แน่นอนไม่เสมอไปเพราะว่าพระพุทเจ้านิพพานไปได้แล้ว450ปีเราก็เลยมาเรียนอันคําพูดที่ทรงเขียนเอาไว้ลรืจารึกเอาไว้ตอนนี้ แต่ตอนเมื่อพระพุทธเจ้ายัางมีชีวิตยอยู่นั้นไม่ได้จารึกเป็นลักอักษรเพียงพระองค์สอนเท่า น, นั้นเองอันนี้ละ ก, การฆ่าสัตว์คําว่าฆ่าสัตว์นี่บางทีอาจจะเป็นสัตว์จักก็ได้หรือเป็นสัตว์ตะวะัสัตว์เอกสารนั่นแหละก็ได้คําว่าฆ่าสัตว์ทีนี่ที่มันเกิดขึ้นมาจากจิตสำนึกนั้นหมายถึงว่าความรู้ความเหตุความเข้าใจจิตใจของเรานี่แหละมันสามารถที่จะพองตัวขึ้นมา มันสามารถที่จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นให้เรารู้เราเลยเพิศเสยิมเอิญเสยไปไม่อ้วกเฟื้อไม่เยือเอเอ่อใหญ่คือไม่มาสนใจกันที่ตรงนี้เราไปสนใจเรื่องอื่นมากใ น, นส่วนที่มันมีจิตสมมติเรื่องอะไดวงจิตวิญญาณที่เพอพูดให้ฝังข่าวตั้งแต่ เ, เป็นเด็กนั่นแหละแต่เกาะอยู่กับพระพุทธรูปนั่นเนี่ยเท่ากับเล็ดงา อันจิตอันนั้นเนี่ยมันก็เลยตายไปมันบอดไปมันเลยไม่รู้มันเลยไม่เห็นไม่เข้าใจอาจจะเป็นฆ่าสัตว์ตัวนี้ก็ได้จึงมีความอยู่ที่เราเคยเรียนกั น, น, นหนังสือนวมากโว่ะเป็นความรู้พื้นพื้นขั้นต้นๆ น, นี่วะพิสุเศพเมถุน ต้องอาบัติปรสิกขาดจากคนเป็นภิกษุเป็นภิกษุในบรวรพุทธศาสนาไม่ได้ไอย่างนั้นอันนี้ได้เรียนมาจากตำราเมื่อครูบาอาจารย์สอนให้อันนี้ภิกษุลักของเขาลาคาห้ามาศขาดจากคนเป็นภิกษุเป็นภิกษุในบรวรพุทธศาสนาไม่ได้ภิกษุแป้งค่ามนุษย์นกคันในคันขาดจากคมเป็นภิกษุ เป็นภิกษุในบรวรพุทธศาสนาไม่ได้เลภิกษุผู้อวดอุตเิขมนุษย์ษาทำคือทำรรอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องอาบัตประสิกขาดจากขมเป็นภิกษุเป็นภิกษุในบรวรพุทธศาสนาไม่ได้เลยยังภิกษุแปลผู้เห็นภัยนี่เราเห็นภัยเห็นที่ตรงไหนก็เห็นจิตใจที่มันนึกมันคิดขึ้นมานั่นแหละแต่ว่าเห็นภัยน บัด น, นี้เมื่อพูดเช่นนี้ก็เลยมาพูดเอาตอนที่จะลวกลัดเอาให้มันสั้นว่าทำเป็นโลกกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างวนะ่าใชนไหมทีนี้ผมละอายแก่ใจโอดตปฝะขวมเกงกลัวต่อบาปกรรมว่าใช่ไหมมันละอายแก่ใจคือจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมานั่นแหละมันละอายแก่ตัวนั้นเดีย๋ยววันละอายแก่ใจจริงๆ โอตระความเกณฑกลัวต่อบาปมันคือให้ระมัดระวังตัวมันจริงๆความคิดที่มันปรากฏขึ้นมานี้มันจะทํายังไงได้เมื่อเราไม่กลัวไม่เห็นไม่เข้าใจไม่ดูที่ตรงนี้มันก็เลยเป็นอารมณ์ให้เราไปทําผิดพูดผิดคิดผิดอันนี้แหละความผิดของคนเราไม่ว่าคนนั้นดีคนนี้ชัว่วเมื่อเรามาศึกษาเข้าใจที่ตรงนี้ แล้ก็มามองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนทุกคนมันมีชีวิตเหมือนกันมันก็เลยไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่สังคมอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างลัดงัดอุดใจเดียวก็ได้ที่เคยมาพูดที่ธรรมสถานนี่ก็เคยพูดแต่พูดที่ไหนเคยพูดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนจริงๆนั้นผู้ที่มีปัญญาฟังแล้วอึดใจเดียวไปใสได้ทันที เนีย่ยเข้าใจอย่าเคยพูดอย่างนี้พูดมาบ่อยๆดังนั้นวันนี้ที่เรามาประสมกันที่ธรรมสถานแห่งนี้ก็เอาไปนึกเอาไปคิดเอาไปพิจารณาตัวเองมันทุกเกิดขึ้นเพราะความหลงผิดเท่านั้นเพราะความคิดนี่แหละความคิดนี่แหละมันทำให้มีโกรธมีโลภมีหลงแต่ความคิดนั้นมันไม่ได้ทุกตอนมันทุกคือเรารู้เราเห็นเราเข้าใจ เราเข้าไปในความทุกข์เสียแล้วมันก็เลยไม่เห็นทุกข์ความโกรธความโลภความหรือมันตกหน้าเอาทั้งนั้นศึกษาเราเรียนพระไตรปิฎกจนจบพระองค์ท่านก็เรียกว่าโมคะบุรุษใจไม่ได้คำภีเป่าใบลานเป่าอะไรนี่ครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังคำว่าโมคะโมคะตัวนี้พวกเราควรหน้าวาดเสียสนุกต่อจิตใจ แปลว่าไซไม่ได้เดี๋ยวโมฆะบุรุษแปลว่าไซไม่ได้คำว่าไซไม่ได้หนูว่าโมฆะจะเป็นบุรุษเป็นสตรีเป็นอะไรก็ตามแหละถ้าหากไซไม่ได้เดี๋ยวโมฆะทั้งนั้นดังนั้นคำว่าโมฆะในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ไม่รู้นั่นแหละคนใดไม่รู้ก็คนนั้นอยังตกอยู่โมฆะคนใดรู้ก็คนแตจะก่วงเป็นโมฆะ ก็โมฆะในที่นี้ไม่ได้อ้างถึงกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้อ้างถึงอื่นไกลคืออ้างถึงเรื่องจิตใจทั้งนั้ น, นที่นำมาแสดงให้ฟังในตอนเช้าวันนี้ก็เห็นว่าพอสมกวนเก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้ผมขออ้างอิงเอาคุณของพระเจ้าและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม่คนของพระอรหันตาสาวกพระสมมาสัพระเจ้าจะมาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในขณะนี้ให้เรามาดูต้นตอของชีวิตจิตใจที่มันนึกมันคิดนั่นแหละไปไหนมาไหนดูดิตุกนี้แหละดังนั้นขอให้พวกเราได้พบได้เห็นได้เข้าใจสัมผัสได้จิตใจที่มันสะอาดสวา่างสงบนั้นมันไม่อยู่แล้วในคนทุกคน ให้พวกเราได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้จงทุกๆคนเธอ